แต่ชื่อมันอันเดียวกันแต่เดือนวันที่นั้นเอาตามทางใต้เหมือนกันเมื่อพระองค์มาถึงล่มไมโพ น, นมาเห็นต้นไมโพแล้วก็ชอบพระไทยว่าต้นไม้ต้นนี้สวยงามทั้งกิ่งกา้าสาขาล่มเงา ตามตำนานว่าต้นไม้ต้นนี้ก็เรียกว่าเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าอายุได้สามสิบห้าต้นไม้พอนั้นก็เรียกว่าสามสิบห้าปีต้นไม้ที่ได้สามสิบห้าปีนั้นเรียกว่าเป็นต้นใหญ่พอสมควรเป็นร่มเราดี เมื่อพระองค์มาถึงที่นั้นก็ตั้งใจไว้ว่าจะภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเทวทีวิธีใดต่างๆก็ทำมาก็ยังไม่ยังตรัสยังไม่ได้ยังไม่พร้อมมูลพอมาถึงต้นไม้ต้นนี้ต้นพนี้ให้ชื่อภายลำัำ เดิมสมัยก่อนก็คงเรียกเป็นต้นไม้อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็ตังพระไทยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพรามันยังไม่รัดกลุ่มพอยังไม่เด็ดเดี่ยวพอพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นนั่งขัดสมาธิเพชรซึ่งพระพุทธโลกสมัยนี้ก็พอจะดูได้ ยังว่าหลวงพ่อเพชรจังวัดอุดตรอดเด็หลวงพ่อเพชรจังวัดพิจิตก็นั่งขับสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้าง ข, างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้เป็น วันพระพุทธเจ้านั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุตธเจ้าเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเดียบรอยแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ตั้งสัตยาทิฐฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะเป็นการนั่ง ให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเสียคือมีอยู่สองอาการอาการหนึ่งถ้าหากว่านั่งสมาธิภาวานาจิตใจยังสู้กับกิเลสมารสองขาลัมมารไม่ได้พระองค์ก็ตัดสินใจลงไปอาถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ลบยาที่นี่เป็นอันขาด และไม่ไปแสวงหาอาหารและบินทบาทมายิ่งชีวิตถ้าตรัสรู้ไม่ลงตรัสรู้ไม่ได้ยังพ่ายแพ้ต่อกิเลสมาถ้าองค์ไยตัดสินใจลงไปว่าเราจะเอาที่นี้เป็นที่ตายทารูปร่างกายถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าก็จะได้โปรดเวนยศัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นจิตใจก็เือวนแน่วแน่มั่นคงไม่มีการหวั่นไหวไม่กลัวตายเพราะได้ตั้งใจตายเสียแล้วถ้าใจไม่กลา้าแข็งขอก็ยอมตายในทีนี้แค่หนึ่ง แต่เมื่อตั้งสัตยาที่ฐานลงไปกำลังกายก็มีกำลังกำลังจิตก็มีกำลังไม่วันไหวเรียกว่าธรรมใจของพระองค์เหมือนแผ่นดินวางเฉยได้ทุกอย่างทุกประการแต่นี้พระองค์ก็มากำหนดว่าจะเอาอุบายใดมาภาว น, นาคำว่าพุโทโธพุธโทโธที่เรานึกอยู่เหล่านี้ เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วแต่เวลานั้นยังไม่ได้ตัดพระองค์ก็เลือกด้วยนำประตายใจพระพุทธองค์เองว่าจะ ต, ต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายมาัดจิตใจให้อยู่ให้จงได้ คนเราทุกคนมีลมหายใจเข้าหายใจออกท่านก็เอาลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าลมเข้าไปก็ู้ว่าลมเข้าไปผู้โลจากว่าลมเข้าไปนั่นคือสติจิตผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกไม่ให้เผลอเมีสติความระลึกได้ คือเจตใจดวงเดียวนั่นแหละแต่เอามาเป็นสติคอยระมัดระวังสตินั้นคือระวังจิตจิตนั้นเปียกเหมือนทาลกเหมือนเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ภาษาอะไรถ้าพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ดูแลไม่รักษาเด็กนั้นก็ตกบ้านตกเรือนคอหักตายไม่เจริญขึ้นมาได้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 ที่ลมผ่านเข้าไปนะีะมันมีจิตใจอยู่ที่รู้นี่เองอะไรมันผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ลมเข้าลมออกลมออกลมเข้าพร้อมกันนั้นพระองค์ก็กำหนดอุบายธรรมที่ว่ามรณะความตายทวกลมหายใจเข้าออกด้วย ลมเข้าลมออกนี้มันแสดงว่าถ้ายังมีลมเข้าออกอยู่นี่ยังไม่ตายยังมีชีวิตยอยู่แต่ถ้าลมนี่แหละออกไปเกิดติดขัดสูตรเข้ามาไม่ได้คนนั้นก็าตายถ้าองค์ก็าตายเหมือนกันถ้าเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็าตายมลณะกรรมฐานนี้ก็ เป็นเครื่องเตือนจิตใจของพระองค์ให้ใสงบระนักจิตใจก็สลดสัมเวธิว่าคนเราเหละตั์โลกทั้งหลายความตายมันใกล้ที่สุดมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอันใดมาเดียดเดียนก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็ตาม ออกไปแล้วสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายพระองค์กำหนดลงเข้าออกด้วยกำหนดมรณะกรรมฐ า, านคือความตายด้วยภายหลังมาเมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้แล้วก็เอามรณะกรรมฐานนีมาเตือนพุทธบริษัทด้วย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 เรียว่าสนทราบอยู่ในจิตใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็สลบสังเวกไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนแต่เก่ามาจิตใจก็แน่วแน่เย็นสบายเรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าสงบระงับ เป็นสมาธิภาวานาเต็มที่จนกำหนดพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนของพระองค์นั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในคืนมันนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสสโุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นอกจากระกีเลศความโกรธความโลภความหลงตัดกิเลสความโกรธโลภหลงได้แล้วยังละวาสนายิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดแต่ว่าละกิเลสพร้อมทางวาสนาก็เป็นอันว่าตั้งพระไทยเพื่อจะโปรดเวนยัยยะสทางหลาน ทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์มไม่ท้อถอยอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจา้าสอนให้พุทธบริสัต์นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาเพชรให้พากันจดจำา ดำผีแดงก็จิตทางนั้นะสังขางรปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรอีกก็จิตนั่นแหละเวิย ญ, ญาณเมื่อคิดอะไรต่อมีอะไรก็รู้ตามอาการเหล่านั้นชื่อว่านา้ำธรรมทั้งสี่นี้เมื่อย่อนย่อเข้ามาท่านก็ให้ชื่ออีกว่า ดวงจิตนั้นมันมีความรู้อยู่เรียก ว, ว่าจิตใจผู้รู้อยู่ทั้งสีอย่างมารวมมารู้อยู่ตาเห็นลูกก็รู้อันนี้หะเป็นผู้โลห์ฟังเสียงก็รู้อันเดียวกันยมูกดองกลิ่นดิ่นดินรสก็จิตดวงเดียวนั่นทัานจงให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมาสงบอยู่ที่ดวงจิตรู้อยู่ ดวงจิตโลกอยู่นี้ไม่ใช่ว่ามาเทศมาแสดงแล้วจึงมีดวงจิตผู้รู้ดวงจิตผู้โลมันมีมาตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงรู้อันนี้แหละมันไม่ตายรูป ก, กายมันตายไปในชาติหนึ่งหนึ่งนับไม่ท้วน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 มีบริกรรมภาวันนาเป็นบทเป็นบาตต่างๆนานามากมายหลวงหลายแต่อย่างไรก็ตามเื่อว่าอุบายใดอุบายหนึ่งเมื่อเราเอามากาหนดพิจารณาให้ใจเราสงบละงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ก็ใช่ได้ท้งนั้นจะกาหนดความตายก็ได้ความแก่ความเจ็บความไข้ หรือกำหนดพุทโทรธ ร, รมโมสังโฆอันใดก็ได้แต่ว่าต้องตั้งใจกำหนดทำอะไรก็ให้ตั้งใจทำรวมจิตใจลงไปให้มันเป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งจิตมันมีหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันหลงไหลไปตามสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ ไม่มีคนใดสอนที่จะสอนได้ก็คือว่าต้องมีพระพุทธเจา้าผู้บำเพ็ญบารามีมาสีอสงไขยแสนมหากับจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจมาสอนจิตใจของมนุษย์และเทวดามารถมได้ เมื่อพระองค์ได้ตดรัสโสรเป็นขพุถุเจ้าจริงแล้วจึงได้โปรดเวนยสัตว์ตลอดสี่สิบห้าปีที่พระองค์มีอายุตั้งแต่วันตรัสโสรจนอายุได้แปดสิบปีบริบูรณ์ก็เป็นธรรมดาของสังขารทางหลายเ0็ดสิบปีแปดสิบปีนั้นแล้ ว, ว่ามันแก่ชราตา ธรรมชาติไม่ใช่เด็กเล็กเกิดมายังไม่ถึงเก้าปีสิบปีตายเนี่ยว่าเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็เป็นธรรมดาแล้วถ้าเลยนั่นไปก็ลำบากเพราะว่าสังขารทางหลายมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปเหมือนเราเห็นคนเฒ่าคนแก่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 เวลากำลังกายกำลังจิตมีกำลังนั้นทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างจงควรประกอบกระทำข้อวัดปฏิบัติในทางสมาธิภาวนานี่ให้เต็มที่มันต้องทำประกอบถ้าไม่ทำไม่ประกอบไม่ได้ดูกิจกรรมการงานที่มนุษย์คนเราทำมาหาเลี้ยงชีพ โยในโลกนี้ก็ต้องทาต้องประกอบกระทำการงานนั้นจริงสำเร็จเป็นปัจจัยทั้งสี่รอเลี้ยงร่างกายสังขารนดนะ้ส่วนธรรมะปฏิบัติก็ต้องตั้งใจขึ้นมาเป็นพิเศษในคืนหนึ่งหนึ่งถือเวลาการกลางคืนเป็นหลักมนขั้งแรก ที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกขืนนั้นให้ตั้งใจไว้ตั้งสัจจะอธิฐานใจไว้ว่าเราจะต้องปราบพระวายพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมจะเอาพุทโธหรือมลณ ะ, ะกรรมฐ า, านลมหายใจได้ทางนั้นอัน เมื่อเรานึกเจริญแล้วสะดวกสบายในใจของเราก็เอาอุปายนั้นนึกเจริญจิตใจก็เพ่งเล็งรวมลงไปโซดวงจิตที่ว่าดวงทีู่ลอยู่จิตใจดวงที่โลอยู่นั้นไม่ต้องไปหมายที่นั่นที่นี้อันที่นั้นคือในร่างกายมันอยู่เต็มตัวนั่นแหละแต่ที่ไหนมันก็จิต จิตนั้นเราจะไปหมายว่าอยู่กงนั้นกองนี้ไม่ถูกจิตมันเป็นธาตุนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ไม่ติดขัดเราต้องเพ่งลงไปในจิตใจว่าจุดไหนเป็นจุดโล่จุดไหนเป็นศูนย์กลางแร้วว่าศูนย์ศูนย์นั่นท่าเขียนหนังสือก็เขาเขียนกล ม, กลม วงรอบมาจอดกันเรียกว่าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติศูนย์ทำงนานอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าจุดหนึ่งในจิตั้าทุกคนก็เรียกว่าศูนย์รู้อยู่ดวงจิตที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในใจเรานั่นเองแล้วว่าจุดหนึ่งศูนย์รู้อยู่ที่นั้น เสียงคนเสียงสัตว์หออะไรก็ตามจิตดวงนี้เป็นผู้รู้แล้วว่ากลองนี้แหละเป็นที่ตั้งใจลงไปบริกรรมภาวนาพุโทโธกรวมมานี่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนก็รวมมาที่นี่รวมมาอยู่กับใจิตใจดวงที่ลูลนี่จนจิตดวงนี้มีสติเป็นที่ เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็อนระลึกอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนนั่นเองรวมเข้ามาทีนี้นจนจิตใจดวงนี้สงบระงับตั้งมั่นได้รับความสุดสังเวชไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจดวงนี้ก่อ มีสติเต็มที่มีสมาธิมั่นคงมีปัญญาเกิดขึ้นแก้ไขได้ด้วยตนเองจิตใจของตัวเองจนจิตใจตรานี้มีกำลังมีความสามารถอาจารพิจารณาทั้งกายและจิตได้ตลอดต้วงลาวภายนอกก็ให้รวมลงว่า ไม่เที่ยงทั้งหมดในโลกเรามาเกิดอาัยนี่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนะั้นไม่มีที่ไหนเป็นสุขลงท้ายที่สุดที่เรามาเย็ดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าอะไรต่อมีอะไรนั้นความจริงไม่ใช่ของกายสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นของกลางเมื่อมนุษย์ที่เกิดมายัางไม่ตาย ก็อาศัยไปตามหน้าที่แต่ถ้ามันแตกดับตายไปแล้วก็กแล้วไปในชาติหนึ่งๆถ้ามันยังลุ่มหลงอีกกลับมาเกิดอีกก็ทำไปอย่างเก่านั่นแหละนี่มันเป็นวัตฏะสงสามอย่างนี้พุทธโธพระพุทธเจ้านั้นท่านมารู้แจ้งรู้จริงโลในใจของพระองค์ เป็นธรรมดาทรัพัโยพุทธะจะต้องรู้มากมายหลายอย่างจนกระทั่งนำมาสอนมอนุษย์ได้สอนได้ทั้งเทพทั้งเทวดาอินทรมที่เป็นลูกทิพด้วยแล้วว่าไม่มีหยดหยอดวันหนึ่งพระพุทธเจ้านั้นทำกิจห้าอย่างตอนเช้าโปรดสัตว์ ในทางบินทบะาตอนใบบ่ายเย็นๆตัดพระธรรมเทศนาสอนญาติสอนโยมตอนพบข้ามอย่างนี้ก็ประธานโอวาทแก่นักบวชภิกษุสงภิกษุภิกษุณีตอนเที่ยงคืนก็เทศให้เทวดาอินฟมที่มองด้วยตาหนังไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าทันรู้ทันเห็น การสอนของท่านโยนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่หน้าพอจะบอกจะสอนได้ตัดสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไป จิดห้าอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของพระพติจธธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสลู้ในโลกเมื่อท่านตรัสลู้แล้วก็ทำจิตห้าอย่างนี้หรือองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ตรัดอย่างนี้แล้วองค์ใดที่จะมาตรัสลู้ในโลกข้างหน้าก็มาสอนอย่างนี้แหละสอนให้รู้จักจ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 มันแก่นั่นคือว่าแกชาราแล้วทำอะไรก็ไม่ไหวอย่างคนแก่ชราบางคนจะลุกก็เลยร้องโอ้ยเสก่อนจังลุกได้เวลาจะนั่งก็ร้องโวยเสก่อนจิ้มค่อยนั่งเวลาไปวัดไปวาก็คนแก่ก็มักจะไปขอยากับพระให้ขอยากแก้ปวดหัวเขาบ้าง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 เอาเน่ไม่ได้มีสมาธิมีความตั้งใจมั่นยังได้ทรงรีบทำท้าไม่รีบทำจะเสียเวลาจะปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นเป็นใหญ่ในหัวใจของเราแล้วไม่มีเมืองคอมีพุทธเพียพาชิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ว่า นักทิตัิหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มอีอันแม่น้ำลำคลองบึงบางต่างๆยังเต็มในเลือดูฝนแต่ตันหาในจิตใจของมนุษย์และเทว ด, ดาอินพรหมทั้งลังที่ยังไม่พ้นทุกนั้นไม่มีเมืองขอ ได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากได้อย่างหนึ่งต่อไปดีอย่างหนึ่งแล้วก็อยากดีอย่างหนึ่งต่อต่อไปเลว่าตัณหากามะตัณหาความรักให้พอใจภาวะตัณหามีความยินดีพอใจในพบในชาต่างๆวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ทั้งตัวไป ตัณหาในใจมนุษย์แต่ถัตว์างหลายไม่มีที่จบสิ้นลงไปตัณหาในใจจะสิ้นไปกว่า น, นี้แหละรวมจิตให้มาสงบระงับตั้งมั่นให้อยู่ในตัวในใจจริงๆจนจิตนี้มีสติเต็มที่จนจิตนี้มีสมาธินี่มีสติเต็มที่ ยนจิจในมีสมาธิความตั้งมั่นเต็มที่จึงจะเกิดปัญญาวิชาความรู้ขึ้นมาพินิจพิจารณาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แก้ไขได้ด้วยจิตใจของตัวเองอย่างนี้จึงจะทันจึงจะทันกับกิเลส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 เมื่อเกิดความคิดความนึกอะไรขึ้นมาแลวมันจะไปตามที่ว่านัาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตันหาไม่มีมันไม่มีที่พอไม่เมี่ตึกที่เต็มเลยว่าไม่สงบเมื่อใดลราไม่ได้จึงจำเป็นต้องลื้อเริ่มตั้งใจขึ้นมาทีเดียวว่าในคืนหนึ่งหนึ่ง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 งูแลบลิน้นงูนั้นเป็นธรรมดามันจะต้องแลบลิ้นออกมาเป็นธรรมดาช้างมันกับพับหูวัวควายมันกับพับหูของมันได้ไล่แมลงวันไม่ได้มากก็ให้ได้ขนาดนั้นก็คือว่าตั้งใจทำเพียงนี้คนที่ไม่ทำ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 หลักพระองค์นั้นคือไม่ไทยจะเอาแต่ได้ไทยเดียวต้องเพียรด้วยเพียรพยายามทำทุกคืนทุกคืนไปเถิดจะเข้าใจเองปฏิบัติได้เองแล้วก็ในความเพียร น, นี้ก็มีพุทธภาสิตข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดเลยว่าวิริเยนทุกขมัดเจติ บุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมถ้าทําอะไรแล้วมีความเพียรความหมั่นความขยันแล้วสําเร็จได้ทนันรางถ้าทําอะไรเดี๋ยวก็หมดความเพียรความหมั่นขยันเลิกล่างไป ก, ก็เลยไม่สําเร็จเสร็จสิ่งไปได้ ยังมีพุทธเจ้าพาสิทว่าต้องเพียรเพียรพยายามทำคืนนี้ไม่ได้คืนต่อไปก็ยังมีชีวิตเรายังเว่ออยู่แล้วก็เพียรพยายามทําไปทุกคืนทุกคืนเอาชีวิตนี่เป็นแดนเป็นที่ตั้งเอาชีวิตเป็นที่สุดท้ายตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตาย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 ไม่ใช่ภาวนาเดินจงกรมเหมือนคนโบราณค้ามาเพันภาวนานอนละนอนท่าเดียวหาลู่ไม่ว่าที่เรานอนนั่นก็คือนอนรอคอยความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าเราจะนอนไม่ได้ล่ถ้าคนเห็นเคยปฏิบัติคนจะตายจะรู้เดี๋ยวก็พุดลุกเดี๋ยวก็พุดนอน มันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับดอกเวลามันจะตายเห็นนั้นเราอย่าไปหลงมันตามกิเลสมันให้ภาวนานอนนอนมันก็หลับนะครับมันก็หมดเวลาอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึง่งที่เราทุกคนจะต้องตั้งใจประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นการประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละ มันจะเกิดมีขึ้นได้ต้องกระทมการงานที่กระทานั่นแหละมันมันสอนในตัวทาไปปฏิบัติไปไม่ท้อถอยมันก็สอนในตัวนานเข้ามันก็เกิดความรู้ความฉลาดรู้เท่าทันในตัวในใจของบุคคลคนนั้นเรียกว่าได้ปัญญาเกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทม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 ความโลภความฉลาดมันเกิดไม่ได้ถ้าหากว่าเราทำอยู่เสมอแล้วมันเกิดขึ้นได้หรือท่านเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนไม้สีฝันไม้สีไฟคนเราสมัยโบราณเมื่ออยากได้ไฟมาใช้เอาไม้ไผ่มาทำถูกันถูไปมามันก็เกิดไฟขึ้นมาฮ้อน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 ให้ภาวนาบทใดก็าตามเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนอนแหละมันจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัตินี่เป็นอุบายธรรมในทางพุทธศาสนา เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาห น, นดจดจำ น, นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการศนีสปิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตะันตรายโยสุขิธีคาโยโกภะวะ อพีวาธนาสีริสนิจังวุธาปัยิโนเจตาโรโอธรรมาวทันติอายุวนโนโุขังภากลางขับสมา็ินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 เมื่อหลับตาแล้ว <c> ก <oughs> ็ให้ะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้แก่คำว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคำ น, นี้ให้นึกให้มันได้สามครั้งเป็นเก้าสามสามเก้า แล้วก็ น, นึกเอาคำเดียวจเจริญเอาคำเดียวว่าพุทธโธพุทโธพุทธะนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าลงมาแต่ในจิตใจคนเรานั้นก็มีดวงพุทธะอยู่จิตใจคนเราทุกคนทุกดวงนั้นเป็นดวงพุทธะ แต่เป็นพุท ธ, ธะที่ยังไม่ได้ละกิเลสให้หมดไปสิ่งไปเวลาเรานั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเดียบร้อยท่านให้นึกว่าพุโทโธเอาคำว่าพุโทโธนี้ละมัดจิตใจของเราให้อยู่ไม่ให้ไปที่เอ่น อาติต า, ล ม, าลมอาลมอดีตที่เราผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ดีร้ายประการใดก็ไม่ต้องเอามาคิดนึกทําใจนี้ให้เฉยอยู่ภายในตัวนี้อารมณ์เรื่องราวใดๆที่เป็นอนาคตตการข้างหน้าก็ไม่ต้องไปคิดถึงเพราะว่าสิ่งนั้นมันยังไม่มาถึง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 ก็ยังไม่เข้าถึงพุทธโธแท้ดรว่าถึงพุทธโธแค่สมมติว่าพุทธโธพุทโธพุทธะจริงๆมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงเดียวนี้แหละเป็นองค์พุทโธโยภายในถ้าดวงจิตผู้รู้นี้ไม่โยในร่างกาย เขาก็เรียกว่าคนนั้นตายไปแล้วถ้าจิตไม่โยร่างกายสังคาญของคนเราไม่ว่าเด็กนมแก่ชราอย่างไรก็โยไม่ได้ร่างกายนี้จะเป่อยเน่าพุพังแตกดับไปทีเดียวดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้แหละ เมอาการโยสีอาตนาเวทนาสวยอารมณ์สัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรเมื่อคิดนึกอะไรต่อมิอะไรก็มีความรู้สึกตามอาการนั้นอาการทั้งสี่นแหละรวมเข้ามาให้เชื่อว่าจิตดวงผู้รู้อยู่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 นั่นและให้เชื่อจิตดวงผูู้โอยู่ในตัวคนเราตั้งแต่เรามาเกิดในพบนี้ชาตินี้แต่ความจริงคือว่าจิตดวงผู้โลนี่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วหมายถึงโูกประขันร่างกายเมื่อไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์นั้นก็ต้องมีความตาย มาเกิดเป็นคนรูปล่างกายของคนเพศหญิงเพศชายนี่ก็ต้องมีเวลาแตกดับตายแต่จิตใจดวงผู้ลูกแต่ละบุคลนั้นมันไม่ได้ตายมันมีมาก่อนพรบนี้ชาตินี้มาตั้งแต่อนเนกชา พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรล้แจ้งแทงตลอดในธรรมแล้วรู้จิตใจดวงนี้ว่าพระองค์ก็ดีสัตว์โลกก็ดีถ้านับคืนไปข้างหลังแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นไะการเกิดการตายของสัตว์นั้นของจิตนี้แต่ไม่ได้หมายว่าจิตมันตายจิตมันไม่ตาย รูปร่างตัวตนสัตว์บุกคนนั่นแหละมันเกิดมันตายเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่รูปร่างกายมันแตกได้ดับนะแต่จิตมันไม่แตกไม่ดับพอร่างกายสังขาร น, นี่ใช้ไม่ได้มันหนีหนีออกไปที่อื่น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 ส่วนกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงอันใดที่มันมีอยู่ในตัวในใจของเรานะัให้ภาทําเลิกละออกไปความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราต้องเพียรพยายามเลิกละออกไปอย่าให้มันยึดมั่นถือมั่น ให้ใจมันมั่นลงไปในบริกรรมภาวนาให้ได้เสียก่อนพุทโธในใจเอาจริงๆนั่งกับพุทโธในใจเนึกต่อเนื่องอยู่ในใจนั้นจิตก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นเมื่อมีความรู้สึกอยู่ในตัวในกายที่ไหนก็มันก็อยู่ที่นั่น ทำใจให้เฉยๆไว้อย่าไปมโมยึดโมถือถ้ายึดถือมากเท่าไรทุกก็มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือเสียเลยจิตก็สบายพุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธจนนอนหลับหลับไปแล้วก็แล้วไปื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็พุทโธต่อมาอีก หาจิตกรงนี้ให้มันสงบตั้งมั่นอยู่ในจัจอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนจิตใจดวงนี้สงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาดีแล้วเมื่อใดจึงจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่า นามหมายถึงจิตลูกหมายถึงตัวลูกนามกายใจตัวตนบุคคลเหล่านี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือที่เราเยึดมั่นถือวันมาเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินมันเป็นของใคร ที่ของเราที่ดินที่บ้า น, เ, นเลนือกสวนไล่นาเป็นของเราเราไปยึดถือต่างหากแต่แผ่นดิน ม, มันไม่รับรู้ใครตรงนั้นมันเป็นแผ่นดินเป็นน้ำน้ำมันเป็นอย่างใดมันก็เป็นน้าอยู่อย่างนั้นไฟมันมีอย่างไดมันก็เป็นไฟร้อนอย่างนั้น ลมมันพัดผ่านไปมาอย่างไรมันก็เป็นลมพัดผ่านไปมาของเขาอย่างนั้นเองเขาเป็นกินงธาตุทีนี้มนโนธาตุจิตใจเราผู้ภาวานานี้จะต้องมาสงบตั้งมั่นในบริกรรมในเมตบริกรรมภาวาน า, นาให้มันหยุดอยู่ได้ แล้วจึงจะได้ความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเราเยึดถืออยู่มันเป็นความหลงของจิตที่เป็นมาตั้งแต่อเนกชาตนับ พ, บ น, บพบนับชาตไม่ท้วนแลกเกิดมาพบใดชาตใดมันก็มาทุกมาบนเพื่อลำาลีเป็นทุกเป็นรอมอย่างนี้แหละ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 สมัยขั้นพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าคนร้อยปีคนร้อยยี่สิบปีทั้งคนทั้งพระสงสามมันนานอายุทันยืนพวกเราเกิดมาสมัยนี้อายุไม่ค่อยจะยืน อีกไม่นานก็ได้ข่าวคนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วบางคนเกิดร่วมพ่อแม่อันเดียวเก้าคนสิบคนชิบเอดิบสองคนก็ยังมีตายไปหมดยังเหลือแต่คนเดียวก็มีบางคนก็ไม่มีเหลือเนรคือว่าอัปปังชีวิตกต่ชีวิตนี่เป็นของน้อย เราจะต้องดกเล่งภาวนาอย่าได้หลงเคลิดมเลินดีใจเศร้าโศกเสียใจกับสังขารตัางๆดิีกภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้เมื่อเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นลูกเป็นนามเป็นกายเป็นจิต เป็นเพศหญิงเพศชายอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มีความทุกข์นั้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วมันตน้องมีเรื่องทุกข์ให้จงได้มันหนีไม่พ้นจะให้มีแต่สุกกายสบายใจอย่างเราชอบก็ไม่ได้อีก เพราะธาตุแท้ของรูปนามกายใจตัวตนคนเรานั้นมันติดธาตุทุกกองทุกนั่งเป็นทุกขในนั่งนอนเป็นทุกขในนอนยืนเป็นทุกในยืนตอนลอดจนถึงวันตายก็ทุกในวันตายก็ตายไปตายไปมันไม่ใช่วันแล้วมันไม่แล้ว กิเลสราคะโทสะโมหะที่มันยังล่มหลงอยู่ในใจของบุคคลเหล่านั้นเองมันก็กลับมาเกิดอีกมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่เป็นคนเกือมาเกิดในท้องแม่เป็นสัตว์ทำชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในท้องสัตว์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 นั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายทางนั้นแต่ถ้าจิตมันไปยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตะกวลยึดเรายึดของของเราที่ไหนก็เป็นทุกข์แล้วเพราะในโลกเรานี่แลีย ว, ว่าโลกกรรมแปดประการ มีความ ส, สนับสนิญที่ไหนก็ต้องมีความเมตทาที่นั้นมีความสุข ก, กายสบายใจอันเป็นโลกีที่ไหนที่ด้านมันก็มีความทุกข์มันไม่ใช่สดอย่างเดียวมีลาบก็ต้องมีการเสื่อมลามียศมีชื่อเสียงก็ต้องมีการเสื่อม เป็นธรรมดาผู้ภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็จะค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆต้องภาวนาบริกรรม นึกน้อมภาวนาทุดโททุกลมหายใจเข้าออกจงจิตใจสงบหลั่งลับเยือดเย็นสบายได้จึงจะมีความรู้พิเศษเกิดขึ้นในกายวาจาจิตนี้เองแต่ถ้าปล่อยปละละเลยไม่มีสติความระ ล, ลึกได้ ไม่มนสมาธิจิตตั้งมั่นไม่ได้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาใจมันก็ลอยไปลอยมาเหมือนพับกตบกสวารานั่นแหละไม่ให้จิตใจมันลอยไปลอยมารวมเข้ามาสงบเข้ามาพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิต ธรรมโมพระธรรมประโยชน์ที่จิตสังโฆพระสงฆ์สาวกประโยชน์ที่จิตก็คือจิตใจของคนเรานั a นเอง <c oughs> ประพุทธก็อยู่ที่นั้นถ้าภาวนาละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความห ล, ล, ล, ลงได้คนเราทุกคนก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริงๆ และนั้นในตัวคนเราก็ปรกจุธรรมภรสง์นั่นเองแต่ต้องทมต้องปฏิบัติภาวนาอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปสบายแล้วก็อยู่เฉยเฉยไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงไม่ได้เพราะกีแลกความโกรธความขัดเคืองในจิตนั้นมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคน กิเลสความโลภคือโลภะเจด